และการแก้ปัญหาบางอย่างก็ ก, ก็เป็นสัญหาสำคัญเนียนะฮะว่าเราไปแก้แล้วไม่ไปแก้ที่ต้นตอไม่ไปแก้ที่จุดกําเนิดมาแล้วมันก็มันก็นกลงตรงนังนะแก้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกไปไกลไก่เหตุเคยถ้าถ้าถอนต้นอุจะพิษทิ้งมันกลิ่นมันก็หายไปครับ <c oughs> แต่ทีนี้มัวถ้าเรามัวแต่เอา ก, อาอาากลิน่นอย่างอื่นมากรบไอ้ต้นอุจจะพิษมันยังอยู่แล้วก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเรา แรงซ้ำซากเนี่ยแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้เงินไปขุดบ่อน้ําครับขุดไปขุดไปก็มันก็ไม่มีน้ําอ่ะก็ไม่มีน้ำเราก็มีแต่บ่อเพราะว่าไปแก้ที่ไปแก้ที่ตายเหตุหมันไม่ไปแก้ที่ตรงทีจ่จะเอาเหตุไปสร้างให้มันเกิดน้ําขึ้นมามันไม่มีครับก็ไปขุดบ่ออย่างแถวแถวฟ้วาดงเนี่ยบ่อเต็มหมดเลยแต่พอคนก็มีแต่บ่อไม่มีน้ําครับเพราะฝนก็ไม่ตกอ่ะ เพราะมันแห้งแล้งต้นไม้ต้นไร่มันก็ไม่มีครับอันนี้ไม่ไปไม่ได้ไปแก้ที่เหตุครับแต่ก็สอนนะครับถ่าอาจารย์ก็ข้อสอข้อหนึ่งข้อสองข้อสามพดตรงตรงข้อเชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวผมขอต่อ ข้อสามนี่ฝึกลงไปตรงๆเลยหรือกล้าไปเชิญหน้านะครับทีนี้ผมในข้อนี้ผมขอยกตัวอย่างพระพุทธจริยาหน่อยนะครับครับในพ ย, พยะเทระวัสูตรพระสูตรที่แปลว่าพร ะ, ะสูตรที่น่ากลัวเนี่ยพยะเทรวะนะฮะลูกเจ้าได้ตรัสเล่าเอาไว้ว่าเมื่อ ย, ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ทรงเสพเสนาสนะป่าแล้วก็สะดุ้งกลัวเหมือนกันในบางคราวครับ ก็สะดุ die, ực, saint, ้งกลัว well, ท he ีนี an, ерт, Reagan, hmm. ้ทรงมีวิธ anyway. ีฝึกให้หายกลัวครับโดยวิธีว่ายืนอยู่ที่ใดนั่งอยู่ที่ใดเดินอยู่ที่ใดเกิดกลัวขึ้นมาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะหายกลัวเอาไปมเขาตรงไหนที่ไปยืนแล้วกลัวก็ยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะหายกลัวจนกว่าจะหายกลัวเดินอยู่ตรงไหนแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาก็เดินอยู่นั้น่ะครับจนกว่าจะหายกลัวนั่งอยู่ที่ไหนเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น จนกวา่าจะหายครูไอนี่ในข้อความในพยะเพราวัสดุนะฮะ ใ, ในมัชิมานิกายมัชิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มสิบสองเรื่องที่สี่อะเรื่องที่สี่ท่านที่ชอบค้นคว้าตามก็ลองไปดูจะได้รายละเอียดกว่านี้อีกเจอเลยอันก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าฝึกลงไปตรงตรงเลยไปเชิญหน้ากับความกลักตวตรงๆเท่าไหร่ว่า ไปเข้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าท่ำเสือเลยแหละครับอย่าไปยืนรอให้ลูกเสือมันออกมาก็คงจะลําบากเข้าไปเลยเพราะนั้นทุกที่ความกลัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เผชิญกับมันตรงๆเลยเผชิญหน้ากับมันเลยครับความเหมือนกับความยากความลําบากความทุกข์อะไรต่างๆเลยนะฮะเรากลัวว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ไม่ทําเพราะฉะนั้นการที่จะสู้ประมาณก็คือลําบากก็ยอมลําบากครับ มีข้อที่สี่ไหมครับอาจารย์จะเปิดสายเลยครับพออและวพอแล้วครับพอครับพอแล้วมีมีอยู่บ้างนิดหน่อยผมผมขอต่อไปสักสองนาทีฮะแล้วเปิดสายเลยนะครับผมทีนี้เพื่อจะให้ข้อความสมบูรณ์เนี่ยครับผมขอเรียนอาจารย์ว่าอะไรคือต้นเหตุของความกลัวเอนโมเนตสําคัญของความกลัวก็คืออุปาทาน ซึ่งแตกตัวออกมาเป็นกามบ้างเป็นความรักบ้างเป็นสิ่งที่รักบ้างเป็นตัณหาบ้างครับอย่างพระพุทธพจน์ที่ว่าความกลัวเกิดจากกามความกลัวจเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวเกิดจากความรักความกลัวเกิดจากตัณหาอันนี้มีพระพุทธพจน์อย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับครับอปาราธาจะเป็นจุดเป็นจุด เป็นจุดใหญ่ประธานมันเป็นจุดใหญ่ครับแล้วก็จะแตกแขนงมาเป็นแตกตัวออกมาเป็นตันหาเป็นกวามเป็นความรักเป็นสิ่งที่รักเป็นตันหาครับไอ้พวกนี้นะฮะครับเี่ยเมื่อเราตัดต้นเหตุของความกลัวถ้าจะตัดต้นเหตุของความกลัวจะทําอย่างไรครับประการที่หนึ่งนะครับถ้ามีกําลังพอก็ตรงเข้าตัดต้นเหตุซะเลย ถ้ามีกำลังพ อ, อเช่นตัดอุปาทานไปเสียเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮ ะ, ะตัดความรักไปเสียเลยตัดตัณหาไปเลยแต่ที่นี้ถ้ากำลังไม่พอก็ค่อยๆบรรเทาให้เบาบางลงโดยพยายามทำความดีทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถจะควบคุมตนเองไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ต้องการจะทำได้และก็จะหนักอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา คเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ใจของคนผู้นั้นจะได้ที่พึงที่เกษมครับผมอ่าก็จะอตัดต้นเหตุของความกลัวไปได้เยอะเลยครับก็ให้ค่อยๆค่อยๆตัดไปเล็มไปทีละน้อยละน้อยะฮะใช่ครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวอาจจะได้รายละเอียดในภาคําถามก็ได้นะครับอาจจะมีสายเข้ามาครับครับครับครับท่านผู้ฟังที่เครั้งขณะนี้ ในเวลาประมาณ20นาทีจะทีสองนะครับ ท, ท่านกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมารุกสมัยสนาักขาไทยอสมทก็สนทนาอยู่กับท่านอาจารย์วสินอินทรศระวันนี้ได้คุยกันถึงเรื่องความชนะข้อที่สี่คือชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญนะฮะชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญแล้วท่านก็นให้ข้อแนะนำไว้ว่าการให้จะชนะ ความกลัวนั้นหนึ่งก็คือสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยึดเป็นที่พึ่งสองอย่าคิดถึงสิ่งที่ที่กลัวสามก็ฝึกตรงๆคือกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวนี่ก็เป็นออทอดเสนอที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาว่าในการที่เรากลัวอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราก็มีวิธีการที่จะเข้าไปแก้ความกลัวนั่นด้วยเหตุด้วยสามประการอย่างที่ว่ามาครับต่อไปนี้ก็เปิด โอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะครับให้ทราบว่าใช้หมายเลขอะไรคุณสุธิชัยฮะหมายเลขสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์แปดหกกับวิทยากรนะก็เหลืออยู่สามหมายเลขให้ท่านผู้ฟังสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสีห้าเก้าเจ็ดกเก้าแล้วก็สองศูนย์หนึ่งหกสี่หนึ่งเท่านจะถามอะไรก็เชิญเลยนะครับคุณสุชาดามาแล้วาาสวั ส, นนะะสวดีครับสวัสดีครับคุณสุชาดาครับค่ะพสดีค่ะ ออยากจะจะการเรียนถามอาจารย์วสินหน่อยนะคะครัเชิญนะครับเชิญนะครับฮัลโหลครับได้ยินครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะคืออยากจะเรียนถามอาออาาจารย์ว่าเอที่พูดถึงเรื่องความกลัวเนี่ยนะคะอที่ว่าที่ว่าทุนที่ไม่โคัตายเนี่ยที่ว่ามีที่มีพระอรหันต์ะอีกสามพวกหลังเนี่ย ทีนีพูดถึงว่าคนธรรมดาที่ไม่กลัวตายล่ละก็มีเนี่ยฮะท่านเมร์อาจารย์แต่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะครับครับคือส่วนมากคนที่ ป, <c oughs> ปฏิบัติเนส่วนมากจะไม่กลัวตายนะจารย๊อครับทีบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเนี้ยครับยังไม่เป็นแม่ราหารันแต่ก็ไม่กลัวตายเข <c oughs> ไม่กลัวตายครั บ, รบแต่เป็นช้างเรียกว่าช้างอาชาในา <c oughs> ถ้าเป็นม้าก็เรียกว่าม้าอาชาในถ้าเป็นโคแล้วว่าโคอาสุพราาจะไเป็นคนโรรมาถ้าี่เป็นคนธรรมดาเออไม่กลัวตายคุณสุชาดาทุกท่านไม่กลัวตายก็เรียกว่าคนไม่กลัวตายเรียกว่าคนไม่กลัวตายครับเรียกว่าคนไม่กลัวตายที่พูดตอนนี่พูดตามตำรานะครับพู้ตามตำราพูดตามตำราที่ท่านให้ไวในอัตถิฐานนะฮะให้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่พูดว่าเรียกว่าคนไม่กลัวตายนะครับดูจะได้ครับก็เอากรด้งตรงเลยให้ไม่มีอ้อมค้อมนะฮะ คือคนไม่กลัวตายนะอาจารย์อาสายอาจารย์หลุดไปสาจานอ๋อาจารย์ิงอยู่ครับอยู่ครับเราเรียกว่าคนไม่กลัวตายก็มีนะท่านอาจารย์คนที่มีครับไม่กลัวตายเนี่ยเวลามีเรื่องบางคนว่าเขาบอกว่าหัวเสียเอ็ดแผลตัวต่างหากหือมีเรื่องทีไหนต้องเข้าไปที่นั่นเลยแล้วเจ็บมาทุกทีแล้วไม่กลัวตายนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคนไม่กลัวตาย แล้วึกษาบางบางอย่างเนี่ยคนไม่กลัวตายเขาเขาอาจจะมีสกายอทิตย์แรงก็ได้นะฮะครับเขาอาจจะมีสกายอาทีตย์แรงอย่างที่ว่าเนี่ยครับผมว่ามาอีกสายหนึงไม่ทราบว่าใครครับครับครับถามท่านอาจารย์วสินค่ะเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยอ่านหนังสือของท่านอาจารย์วสินนะเรื่องพระเจ้าอโศกธนมาทิราชเนี่ยค่ะพระเจ้าอโศกมหาราชครับใช่ไหมฮะอโศกธมาทิราชหรือมหาราชจักรพัฒน์อโศก ชื่อหนังสือชื่อจอมจักรพรรดิอโศกครับค่ะจอมจักรพรรดิอโศกครับค่ะอะไรเนี่ยจำไม่ได้คือหนังสือเนี่ยคือน้ําท่วมแล้วเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยหายไปจําไม่ได้เนี่ยมีอโศกอะไรเนี่ยครัทีนี้อยากจะหาหามาอ่านอีกไม่ทราบว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อเวลานี้มีมีจําหน่ายหลายสํานักพิมพ์นะครับคุณทนายปักเช่นะครับครับผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในคํำเอ่อ คำพูดของพระพุทธเจ้าน่ยนะที่ท่านตรัสนะฮะว่าสิ่งใดที่อาตมาเตรัสพูดไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมครับให้เอาไปตึกตรองก่อนแล้วค่อยเชื่อใช่ไหมครับครับตุ๊กไม่ทราบอาจารย์ครับโศกครับโศกครับทีนี้ปัญหาเมื่อเกิดนะฮะก็ร่มร่มร่มสมัยด้วยนะนะฮะว่าคนที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในพระตจปีดกนั้นแล้วเนี่ยมีเวลาต้องเกือบสองพันกว่าปีแล้วยังไม่เชื่อเนี่ยนะนะฮะเราจะเรียกคนประเภทนี้ว่ายังไงครับอาจารย์ คือไม่ใช่ไหมครับเรียกว่าคนไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับเรียกว่าคนไม่เชื่อครับวันนี้ก็อาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับคุณนนท์สงสา์ครับเพราจริงๆถ้าเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็หมายความว่าถ้าไม่เชื่อก็หมายความก็ไม่ต้องทําตามนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับคือครับมันพูดกันลําบากครับเรื่องความเชื่อเนี่ยคือก้องต้องต้องใช้ปัญญาสักหน่อยนะครับไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวครับใช้เลย ถ้ามีแต่ศรัทธาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับครับต้องมีความเชื่อทั้งมีปัญญาด้วยครับพระคุณเจ้าหลวงตาเทพนุ้งว่าการหลวงตาครับเอเจริญพรจะครับครับเจริญพรถึงโยมวัดสิงห์ด้วยจ้าวสิงห์ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับสวัสดีเห็นถกเสียงกันเรื่องการมาสูตรก็บอกแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดให้กับ ชาวกาลามะใช่ไหมครับเท่านั้นแต่ทีนี้ว่าถ้าจะเอามาอ้างกันก็หมายถึงอ้างได้เฉพาะตอนที่ลงมือปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ไปติดตำราติดครูบาอาจารย์คือลงมือปฏิบัติตามวิธีที่รู้มาน่เพราะพุทธองค์ก็เหมือนกันที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธองค์ได้สําเร็จเอออะไรแย่สักสี่คือมีความรู้ในในมรรคผลมิพรนณีได้ก็ ทิงเอาตำราตกเก่าที่ไปมาทุกสำนักแล้วก็รู้เรียนมาทุกรูปแบบจนกระทั่งมหาวิธีของพระพระองค์พระองค์จึงเอามาแนะแนวให้ถ้ายังติดอยู่ในตำราอันนุนว่าอย่างนี้ไปนั่งหาว่าชา น, นั้นเท่านี้ชา น, นี้เท่านั้นมันไม่ได้อะไรเลยแม้แต่เรียนอริธรรมก็เหมือนกันคเราไปเอาผลมาเรียนเราจึงเอาผลมาท่องกันเป็นอรหันหมดเพราะฉะนั้นไอตัวติดตัวนี้แหละคือตัวไม่มรู้ ถ้าลังงะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สักกายติสิมันก็ยังมีการยึดติดในสายนน้นสายนี้ในอาจารย์เชื่อในตำราเชื่อาตามๆกันมาตัวนี้ต่างหากโยมจริงจัต้องเข้าใจว่าการามาสู่ถ้าจะเอามาใช้ในตัวนี้ต้องเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นลงมือทําเลยไม่ต้องมาโมลังเนสงสัยรู้อย่างไรทําอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีผลออกมาเองว่า ได้ไม่ได้จริงไม่จริงตามที่พุทธดำหลัดเอาไว้<ะ>ไม่ใช่คนนู้นว่าเอาไว้อาจารย์นี้ว่าเอาไว้ทุกคนนั่นแหละที่ว่ามาก็ไปกันผิดทางเหมือนกนลืฤสีกี่ายในอดีตนั่นแหละแต<ะ>่เพราะฉะนั้นข้อการมาสูตรนี้ให้คำหนึ่งว่าเมื่อลงมือปฏิบัติให้วางเสียเหมือนเหมือนกาลังภายในที่หนังจีนเขาเล่นเป็นอุตาหอนอ่ะคนจะได้ลิชชาสูงสุด ต้องวางไอวิชาเก่าๆนั้นให้หมดหรือล้างสมองล้างจักระนั้นเขาให้หมดจึงจะได้วิชาหม่นเหมือนจะตักน้ำใหม่ต้องเทน้ําเก่าหรือล้างแก้วเก่าให้สะอาดแล้วจึงจะได้วิชาใหม่อันเป็นวิสุทธิเจริญพรครับท่านประธานการขอขอบคุณครับอ่าจารย์อาจารย์ได้ยินไหฮะอับได้ยินครับครับจะผมขอต่อตรงนี้นิดหนึ่งครับครับอก็ในในกาลามสูตร นั่นเองนะครับตอนกลางๆนะฮะพระพุทธเจ้าท่านก็จัดเอาไว้ฮะว่ า, าให้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเองแล้วก็ข้อสองก็ให้ลองถามท่านผู้รู้ดูบ้างข้อสามก็ลองปฏิบัติ ด, ดูลองสมาทานมาปฏิบัติ ด, ดูแล้วถ้าเห็นว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อกุศลก็ให้ทําต่อไปครับแต่ได้เห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อสุขเป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อโทษก็ทิ้งเสียก็หมายความว่าหนึ่งก็คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาสองก็ให้ถามผู้รู้ดูใช่ครับแล้วก็สามก็ให้ลงมือปฏิบัติถ้าทั้งสามอย่างนี้สอดคล้องต้องกันให้ลองทําดูะลองทําดูครับนั่นะือ คือประกาศมสูตรนี้ส่วนมากอ่านกันไม่ค่อยจ บ, บนะครับก็หมายความว่าให้ลงมือปฏิบัติตามอ่าที่นั่นมาถ้าหากว่าปฏิบัติไปแล้วตรวจสอบทวนทวนความแล้วตรงกับหลักการก็ถือว่าใช้ได้คือว่าพอทําไปแล้วลองทําไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษครับไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขก็ทิ้งเสียิงอ่แต่ถ้าลองลองสมาทานปฏิบัติตามแล้ว เป็นไปเพื่อสุขเพื่อประโยชน์ก็ทำต่อไปครับาารที่เราใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยนะครับใช่ใช่หรือเปล่าอา s. <S จอารย์คือหนึ่งหนึ่งลองใช้ปัญญาของตัวเอง้องลองถามท่านผู้รู้ดูนะครับ แล้วสามก็ลองปฏิบัติดูครับผมแล้วก็ให้ออกไว้อย่างนั้นครับครับสายหนึ่งเอ้ไม่ใช่คุณู้คนสังเกตครับชัยรัตน์นี่คนสัเกตครับแล้วละแล้วละครับคนสังเกตครับครับผมแต่อาจารย์ครับครับผมพูดเรื่องความเชื่อนะครับครับเเรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับเมีประโยชน์ตรงตรงไหนครับก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าต่างว่าเออ่คนที่โชคดีนะครับเกิดได้ครบบัณฑิตเนี่ย บัณฑดตคือผู้ที่แนะนำคำสั่งสอนที่ถูกต้องนะคร<ช>ับแต่ว่าโชคดีถ<ช><ช>้าว่าเขาเชื่อเนี่ย อ, อผู้แนะนำเนี่ยถูกต้องถูกต้องมันเป็น อ, อวิธีที่รัดรวดเร็วมากนะครับที่จะให้ผลในกา ร, ป, ร ป, กปฏิบัตินะแต่ทีนี้ต้าว่าเราเนี่ยไปไปพบคนที่แบบรู้ไม่จริงนะคร<ช>ับรู้ไม่จริงแล้วก็ไปเชื่อนี่ยมั น, มนก็เ อ, อปิดบ้านอย่างไรเร็กน<ช>ิดนะครับทีนี้ก็ มันเกิดอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสคบบัณฑิตเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยตรงนี้นะครับถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างอย่ก้อ็อแรกเลยที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, ก็ก็อยากจะขวาก<ม>เรื่องเรื่องเร่อว่าความเชื่อเนี่ยถ้าว่าเราโชคดีที่จะได้คบบัณฑิตเนี่ยถือว่านํา เ, เป็นวิธีที่รัดที่สุดนะครับ ครับก็เนี้ยก็ก็ขาดแค่นี้ครับครับขอบคุณคุณสมเกียรติครับในการที่เราจะรู้ว่าท่านเป็นบัณฑิตเราก็ต้องใช้ปัญญาจะต้องปัญญาใช่ไคัปัญญาที่ขาดไม่ได้เลยนะจบถ้าขาดแล้วก็ไปผิดทางเลยคนี่ในในลักษณะของคนเราทุกวันเนี่ยมันก็หนึ่งก็คือจะไม่ได้ใช้ปัญญาก็เอาใจความเชื่อเนี่ยเป็นแใกล้ายๆเป็นเรดาร์เป็นตัวนําทางเลยโดยไม่ใช้ปัญญาในการนําทางเพราะฉะนั้น บางทีความเชื่อยอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เผลอได้นะครับเชื่อแบบตีนข่าวอะครับเชื่อแบบตีนข่าวอะมงคลตีนข่าวอะครับผมเชื่อแบบนั้นมันไม่ได้ใช้ปัญญาครับครับอันนี้ในความเชื่อเนี่ยถ้ามันยังเมื่อกี้เราก็บอกว่าถ้าความเชื่อบางอย่างเนี่ยก็ทําให้อ่าแก้ความกลัวได้ก็ต้องเชื่อในในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถู ก, กนะอาจารย์ใช่ครับครับถึงจะเป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ความกลัวได้ครับอาจารย์ครับ มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายขเขาเชิญนคะครับท่านครับก็เหลือเวลาอยู่นาทีเดียวนาทีเดียวครับขอข อ, ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสุขก็กขอปราศจากความกลัวอพยพปัตตาจันิพยาขอผู้ที่กําลังกลัวจงพ้นจากความกลัวครับผมและก็ให้มีความสุขจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านทุกท่าน เพหัดินะครับก็ท่านอาจารย์วสินจะเข้ามานะครับท่านอาจารย์วสินรออยู่พร้อมแล้วนะครับท่านอาจารย์วสินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัครับทนครดครับท่านสวสดีครับครับสวัสดีครับารสัสดีครับาครับสวัสดีครับาสวัสดีคานครับสีคร่านครัีครท่านครับดครับ่นครับดีครับ่านคี่รัานครับ่านีทานรับสดรับทครับดครับนครับครับ มีมีพระอยู่สองลูกนะครับพระพี่ชายนั้นฉลาดรักแหลมทีนี้พระน้องชายงโง่ทรบนี่ก็ซ้ำอย่างตาบอดข้างหนึ่งด้วยตีนี้ก็วันหนึ่งจะต้องมีการโทษต่อปัญหากันบางเอินก็มีอาคันตุ ก, กะจอดมานะครับ ประกอบกับพระพี่ชายเห น, นื่อยจึงให้พระน้องชายโทษตอบปัญหากับพระอาคันถุกะ อ, อพี่ชายบอกน้องชายว่าควรโทษตอบแบบเงียบพี่ชายนะฮะพี่ชายบอกน้องชายว่าควรโทษตอบแบบเงียบเพราะว่าน้องชายโง่เนี่ยฮะโง่ทึบอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะ มาแปลลองตอบพนักกันพระอาการดุกะก็ยกเนิ้วขึ้นเนิ้วหนึ่งพระนองชายยกสองนิ้วพระอาการดุกะยกสามนิ้วพระนองชายยกกำปั้นอนี้ก็คู่หนึ่งผ่านไปนะครับพระอาการดุกะก็มาบอกพระพี่ชายว่ายอมแพ้ะ น้องชายของท่านสลัดจริงๆผมขอยอมแพ้พระพิชายถามว่าโทษตอบกันว่าอย่างไรพระคันธุกาก็เล่าให้ฟังว่าผมยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วหมายความว่าพระพุทธน้องชายท่านยกสองนิ้วหมายความว่าต้องมีพระธรรมด้วย ผมยกสามนิ้วหมายถึงพระรัตนใจน้องชายท่านยกกำปั้นหมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวครับจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวคราวนี้แล้วพระอาการดุกะก็จากไปนะครับอาจารย์ดุกะเล่าให้พระพี่ชายฟังเท่านี้แล้วก็จากไป อันนี้ก็ครู่หนึ่งพระน้องชายก็วิ่งเข้ามาหาพระพี่ชายแล้วก็ถามว่ามันไปไหนหมายถึงพระหมายถึพระนุกกาหมายถึงพระนุกกามันไปไหนถามอย่างเร่งโดดๆนะฮะ <OG ๆ S 2> พระพี่ชายก็บอกว่าเขาแพ้เขาไปแล้วพระน้องชายบอกว่าอยากจะชกหน้ามันใช่ฮช่เพราะ พอเริ่มต้นมันก็ยกนิ้วเดียวครับ <c oughs> มันว่าผมมีตาเดียว <c oughs> ตานน้องใหญ่ตาบอดข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมเกรงใจเห็นว่าเป็นอาคันตุ ก, กะจึงยกสองนิ้วหมายความว่ามันมีสองตา <c oughs> มันยกสามนิ้วย่ะเย้ยว่าสองคน <c oughs> มีสามตา <c oughs> ผมทนไม่ไหวยกกำปั้นขึ้น <c oughs> เพื่อจะกระแทกหน้ามัน <c oughs> มันก็ลูกหนีไปซะก่อนเรื่องจบแค่นี้ครับแค่นี่ยพี่ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ี่ตัวเองขอให้ขอให้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเปิดสายเข้ามาลองค่อยๆตอบไปเรื่อยๆนะครับครับแต่พี่ชายบอกให้ตอบด้วยความเงียบอย่าท่านอาจารย์พีชายบอกให้ตอบเพื่บปัญหาจิงรางวัล ให้ตอบถูกจบรายการนี้แล้วให้นอนหลับยังสว่างอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นนิทานก่อนก่อนเข้าเรื่องนะครับครับผมให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันคิดว่าใด้สอนอะไรจะสรุปไว้ยังไงครับครับานี้ก็มาถึง เรื่องอชัยชนะแปดประการนะครับมาชนะครับชัยชนะแปดประการพูดไปแล้วสี่สี่ประการมาถึงข้อที่ห้าครับเอาชนะความท่านงตนด้วยความการุณาชนะความท่านงตนเอาชนะความท่านงตนด้วยความการุณาครับทีนี่ความท่านงตนนี่เอ่อ ก็มาณะในครับจันทร์ครับครับหมายถึงมานะเนี่ยนะฮะมานะมานะนี่ในในทางธรรราของเราก็พูดไปเก้าอย่างเก้าอย่างแต่ว่าโดยย่อก็เอาเพียงแค่สามก็ได้นะครับคือมานะว่าสูงกว่าเขามานะว่าเสมอเขามานะว่าต่ำกว่าเขาครับทีนี้ถ้าแจกเป็นเก้าอย่างก็แจกลูกไปจัด สามอย่างนี้ครับคเป็นอย่างอสามอสามอสา ม, สามนะฮะอลองดูสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้ว อ, อย่างหน่งก็ไม่ต้องคือว่าต้นต้นสูงกว่าเขา ส, สํ า, สาคัญว่าเ ส, <ๆ>สามอเขาสําคัญว่าต่ากว่าเขาอ่านี่ก็สามเลยนะฮะเสมอเขาสําคัญตนว่าถ้าสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาสําคัญตนว่าเส ม, อ, สมอเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขา ต้นเสมอเขาสำคัญว่าสูงกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาค่ะตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่า ส, สูงกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเข า, าเเก็รวมเป็นเก้าประเด็รวมเป็นเก้าในมานะเก้าค่ะความท่านงต้นนี้ก็มาคู่กับการดูมินผู่อื่นอมานะแล้วก็อธิมานะอาจารนยะ์ครับค่ะอยู่ในอุปกิเลสสิบก เรามีมานะแล้วก็อติมานะอติมานะนี่ดูหมินผู้ดูหมินผู้อื่นจับดูหมินผู้อื่นนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่า <c oughs> ทำไมตนต่ากว่าเขาสำคัญกว่าแทนตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าต่ากว่าเขาหรือสาคัญว่าเสมอเขาจึงเป็นมานะด้วยครับ ม่น่าสงสัยใช่ไหมครับคือคือโดยปกติเป็นงี้ครับท่านไม่ต้องการจะให้นำตนไปเทียบกับใคร <ฮะ S 2> ไม่ต้องการจะให้นำใครมาเทียบกับตนครับทําความดีก็ทําำหมายความว่าอาตัวของตัวเป็นตัวของตัวเองครับเป็นเราก็คือเราเขาก็คือเขาคนในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสูงกว่ากันโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่มีใครที่จะเสมอกันโดยประการทั้งปวง ไม่มีใครที่จะต่มกว่ากันโดยประการทั้งปวงมันอยู่ที่แง่ในการเปรียบเทียบหรือว่าเอาเปรียบเทียบในแง่ไหนเปรียบเทียบในแง่ไหน <c oughs> ถ้าถ้าเอามาตรฐานบางอย่างไปเปรียบเทียบ <c oughs> ก็อาจจะต่ำกว่าขอแต่ถ้าเอามาตรฐานบางอย่างไปเทียบขอจะต่ำกว่าก็เห็นว่าอธิบดีกับคนทางยา่า หน้าหน้าหน้ากระทรวงคอ่ถ้าเอามาตรฐานในการปกครองคือความวิชาการไปแล้วอธิบดีก็เด่นกว่าคนทางยาฮแต่ถ้าให้ไปทางยาแข่งกันเนี่ยอธิบดีก็สู้อธิบดีสู้คนทางยาไม่ได้ทางยาไม่ได้ได้กว่าคนต่างยาครับือว่าเด่นกันคนละแง่แล้วก็ได้กันคนละทางใช่ครับ เพราะนั้นอพอคิดได้อย่างนี้ว่าในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่จะเด่นกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงหรือจะต่ำกว่าผู้อื่น <Okay. S 1> โดยประการทั้งปวง okay, okay, okay. อาจจะดีในบางแง่เด่นในบางแง่แต่ก็ด้อยในบางแง่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อธิมานะคือการดูหมิ่นผู้อื่นมันก็จะไม่มี yeah. ก็จะไม่มีแต่ว่าคนขับรถไม่เนี่ยเราไปขับอย่างเขาไม่ทําไม่ได้ครับทําไม่ได้มันต้องมีคนอย่างนั้นอยู่คนกวัดถนนคนขนขยะอะไรอย่างนี้ในสังคมมันต้องมีคนอประเภทนั้นอย่างนั้นอยู่เว้นแต่ ว, ว่าใครจะไปอยู่ตรงนั้นคือให้มองทุกคนว่าแต่ละคนก็มีความต้องการก่บตัวเองเมื่อเรามองเห็นความต้องการของคนอื่นเราก็ไม่ไป ดูถูกคนอื่นไม่ไปเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็ถ้าจะให้เอาชนะความทานองตนแบบนี้ก็ต้องใช้ธรรมะข้อหนึ่งคือความการุณา ค, ความการุณาเข้าใจเห็นใจผู้อื่นผู้ติคือว่า ในในเปรียบดูว่าในบ้านเนี่ยที่จะสะอาดมันต้องมีไม้กวาดมันต้องมีผ้าขี้ริว้วมันต้องมีอะไรพวกเนี้ครับที่จะทําให้บ้านสะอาดได้แต่ว่าพอถึงเวลารับแขกเขาจริงๆเราก็เอาดอกกุหลาบมาวางใช่ครับเราจะไม่เอาผ้าขี้ริ้วมามาท่านรับแขกใช่ครับเราเอาดอกกุหลาบมาวางบนโต๊ะสวยๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โต๊ะสะอาดคือไม้กวาดและผ้าขี้ริว้วค่ะครับ แต่ว่าผู้ที่ออกหน้าัน่นดอกกุหลาบออกมาวางอยู่รับแขก mm hmm. ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดนะครับแล้วภาคีเดียมันจะประทุ